วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมกัน เพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขกายสบายใจแก่ชีวิตของท่านการที่เราจะอยู่กันอย่างสุขกายสบายใจนี้เราจำเป็นที่จะต้องรู้วิธี สร้างความสุขกายและสบายใจเราต้องรู้จักวิธีทำให้กายสุขแล้วใจสบายเพราะชีวิตของเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สององค์ประกอบด้วยกันคือร่างกายและจิตใจที่จะต้องมีการดูแลเลี้ยงดูให้ถูกต้อง เพื่อที่จะทําให้เกิดความสุขกายสบายใจขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้ร่างกายเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายทําอย่างไรให้ใจของเราอยู่อย่างสุขสบายไม่เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมาสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้อง ให้ร่างกายแก่ให้ให้สิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบาย nein? และให้สิ่งที่ใจต้องการเพื่อที่จะทำให้ใจอยู่อย่างสุขอย่างสบายร <plugged in. S 3> ่างกายของเรานี้จะอยู่อย่างสุขอย่าง ส, สบายสุขกายปราศจากความทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนก็ มีปัจจัย4ไว้เลี้ยงดูร่างกายนั่นเองเพราะปัจจัยสเป็นเครื่องสนับสนุนให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของร่างกายปัจจัยสมีอะไรบ้างของร่างกาย ก็มีหนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่งหม่มสามที่อยู่อาศัยและสี่ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมียาไว้รักษาถ้าไม่มีก็อาจจะโรคภัยก็อาจจะไม่หายหรือก็อาจจะถึงแก่ความตายได้ ต้องมีปัจจัยทั้งสีน่นี้พอประมาณพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายถ้ามีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะเกิดโทษต่อร่างกายได้ถ้ามีปัจจัยสี่มากเกินไปเช่นถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปมากกว่าความต้องการของร่างกาย ก็อาจจะทำให้ร่างกายมีน้ําหนักเกินมีรูปร่างที่ไม่สวยงามลายเป็นคนอ้วนไปแล้วก็มีโรคภัยไข้ขเจ็บต่างๆมาเบียดเบียนมีโรคที่เกิดจากการมีน้าหนักเกินเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุด ต, ตันเป็นต้น นี่เกิดจากการให้อาหารกับร่างกายมากกว่าความต้องการของร่างกายถ้าให้อาหาร น, น้อยกว่าความต้องการของร่างกายร่างกายก็จะสู้ผอมผอมแห้งแรงน้อยแล้วก็อาจจะเกิดโรคภัยต่างๆที่เกิดจากการขาดสารอาหารต่างๆขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นการดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสีจึงต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายให้มากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ให้น้อยเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายเช่นเราคงเคยได้ยินคนบางคนอยากจะรักษา รักร่างกายให้สวยงามไม่อยากให้อ้วนก็ใช้วิธีการอดอาหารและกินอาหารบางประเภทที่ไม่พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายถึงแก่ความตายได้เพราะขาดอาหารสารอาหารที่ให้ร่างกายอยู่นั้นไม่พอเพียงเมื่อไม่พอเพียงร่างกายก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็เกิดความตายตามมาต่อไปได้ดนั้นการให้ปัจจัยต่อร่างกายนี้ต้องให้พอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพื่อที่จะได้ไม่มาเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่น อ, อาหารก็ควรจะรับประทานพอประมาณรับประทานตามความต้องการของร่างกาย เราต้องศึกษาจุดประสงค์หรือความเหตุที่เราจะต้องกินอาหารนี้กินเพื่ออะไรออพระเจ้ทาทรงสอนว่าการกินอาหารนี้กินเพื่อดับความหิวของร่างกายเวลาร่างกายเกิดความหิวขึ้นมานี้เป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้ร่างกายขาดอาหารทํต้องให้อาหารกับร่างกายออกินเพื่อดับความหิว ไม่ได้ให้กินเพื่อให้เกิดความความสุขทางใจ mm hmm. เพราะว่าการที่เราจะกินอาหารเพื่อให้เกิดความสุขทางใจเราจะกินมากเกินไปเพราะใจเรามันจะหิวอยู่เรื่อยๆแต่ร่างกายมันไม่ต้องการอาหารตามความอยากของร่างกาของใจถ้าเราทําตามความอยากของใจกินตามความอยากของใจเราก็จะกินอาหารมากเกินไป แล้วก็จะทําทให้เกิดร่างกายเกิดโทษต่อร่างกายทําให้ร่างกายมีน้ําหนักเกินเสียสัดส่วนอันสวยงามของร่างกายไปกลายเป็นคนอ้วนไปแล้วก็มีโรคภัยต่างๆเบียดเบียนได้ทําให้อายุสั้นทําให้ถึงแก่ความตายได้เร็วก่าคนที่ไม่มีโรคไม่ได้เป็นโรคอ้วนไม่ได้ ไม่ได้มีน้ำหนักเกินอ่านี่คือเจตนาหรือเป้าหมายของการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเพื่อดับความหิวเวลาร่างกายหิวนี่แสดงว่าร่างกายต้องการอาหารถ้าร่างกายไม่หิวแต่ใจหิวนี่แล้วไปกินมันก็จะทำให้เกิดโทษต่ตอร่างกายได้ ทำให้เพิ่มน้ําหนักขึ้นมีน้ําหนักเกินแล้วก็จะทําทให้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาดังนั้นต้องรู้จักประมาณรู้จักเหตุผลของการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบายไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการาขาดสารอาหาร และไม่ให้กินมากเกินไปที่จะทาให้เกิดทําให้ร่างกายน้ำหนักเกินแล้วก็ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาอีกงั้นเป้าหมายของการกินอาหารก็กินเพื่อเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินอะไรก็ได้อาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่จำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่มีราคาแพงๆอาหารที่ถูกปากถูกใจนี่มักจะเป็นอาหารที่แพงแต่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มากต่อร่างกายกว่าอาหารอย่างอื่นที่ไม่ได้ถูกปากถูกใจดังนเวลากินอาหารก็ต้องดูว่าเรากินอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายและไม่ไปทำให้เกิดโทษต่อ ร่างกายและจิตใจด้วยโทษที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจก็คือใจจะต้องเป็นผู้ไปหาเงินมาเลี้ยงร่างกายไปหาซสื้ออาหารมาเลี้ยงร่างกายถ้ากินอาหารแบบของแพงๆ<ม>ของที่ไม่จำเป็นจะต้องกินไม่ได้มีผลประโยชน์ทางสุขภาพต่อร่างกายแต่อย่างใด เช่นไปกินอาหารตามร้านที่มีราคาแพงๆแทนที่จะกินอาหารตามข้างถนนซึ่งมีเป็นอาหารเหมือนกันชนิดเดียวกันแต่ราคาต่างกันถ้าไปกินในโรงแรมราคามันก็แพงกินข้างถนนราคามันก็ถูกแต่ผู้ที่จะต้องมาลำบากก็คือใจ เพราะว่าถ้ากินอาหารราคาแพงๆใจก็ต้องไปหาเงินมาสนับสนุนในการใช้ใจ่ายกินอาหารแบบแพงๆใจแทนที่จะมีความสุขใจก็เลยต้องมาทุกข์กับการที่จะต้องคอยมาดินน้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงร่างกายที่ไม่จงการอาหารราคาแพงๆ แ, แต่อย่างใด ร่างกายต้องการอาหารที่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาหารสุขลักษณะนี้อาหารราคาถูกๆ ก, ก็ก็มีถมไปไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้ออาหารแพงๆมารับประทานแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการราับการที่ไปรับประทานอาหารราคาแพงๆนี้เราไปรับประทานเพื่อให้เกิดความสุขใจขึ้นเสียมากกว่า เวลาได้ไปกินอาหารตามร้านหรูหรือหลาหลากินอาหารที่มีคนคอยบริการแบบพิสดารอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารแต่อย่างใดมันเกี่ยวกับการให้ความสุขแก่ใจแต่เป็นความสุขที่เกิดโทษกับใจเพราะใจจะต้องเสียเงินต้องไปหาเงินหาทองมาใจ่ายให้กับ การกินอาหารแบบนีน้เช่นเปรียบเทียบระหว่างกินอาหารมื้อละร้อยกับมื้อละพัน เ, นเวลากินเสร็จในอาหารที่กินมันก็ทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันได้ประโยชน์เท่ากั น, นแต่เงินต้องเสียไปสิบเท่าร้อยบาทกับพันบาทถ้ากินมื้อละร้อยบาทนี่เรากินได้สิบมือ้อ ถ้ากินมื้อละพันนี่กินได้มื้อเดียวจะ mm hmm. กินสิบมื้อก็ต้องไปหาเงินมาอีกเก้าพันด้วยกันถ้าใครแต่ที่จะต้องไปหาเงินมาเลี้ยงดูร่างกาย mm hmm. ก็ใจนี่แหละที่จะต้องไปเลี้ยงดูต้องไปหาเงินมาการหาเงินก็ไม่ใช่เป็นเหมือนกับการไปตัดน้ำํำจากบอก่อน้ํารู้จักลําคลองหรือลําทาร เงินทองมันไม่ใช่เป็นของที่หาง่ายๆเหมือนกับการไปตักน้ําในลําคลองหรือในลำธารต้องต้องทุกข์ยากลําบากกว่าจะได้เงินมาสักบาทหนึ่งหรือว่าถ้าอยากจะได้เงินมาแบบง่ายๆเร็วๆก็จะต้องไปหาเงินทองแบบทุจริตก็ไปทําบาปอีก ทำบาเพื่อจะได้เงินได้ทองมามากมายแบบง่ายๆเช่นใต่โกโหกหลอกลวงช่อโกงตามที่เราได้ยินข่าวอยู่อยู่เรื่อยๆมีการหลอกลวงช่อโกงคนที่ไม่รู้ภาษีภาษาคนที่ไม่รู้ทันกโกงของคนขายก็หลอกลวงให้มาร่วมลงทุนบ้างร่วมทำอะไรบ้าง แล้วก็เอาเงินหนีไปผลตอบแทนที่บอกว่าจะได้ก็ไม่ได้นะแต่บาทเดีย ว, วถ้าไปหาเงินแบบนี้มันก็เป็นโทษกับจิตใจเพราะมันจะทำให้ใจที่เป็นมนุษย์นี้กลายเป็นปเปรตไปเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเปรต น, นี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกระทําไม่ควรจะกระทําถ้าเราไม่อยากให้ใจเราต้องมานับเคราะจากการที่เราต้องมาเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราใช้ของแบรนด์เนมใช้ของที่มีราคาแพงๆกินอาหารตามร้านอาหารที่มีราคาแพงๆอันนี้ ของแพงๆเหล่านี้มันมีไว้สนหรับคนที่เขามีเงินเหลือกินเหลือใช้เขาไม่ต้องดินน้นรนอันนี้อย่างพวกพระราชามาหากษัตริย์พวกมรุกมห์พวกมหาเศรษฐีตรงนี้เขาเกิดมามีกองบนกองเงินกองทองอยู่แล้วเงินทองเขามีอยู่มากมายใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดถ้าอย่างนี้เขาจะใช้เขาก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ ให้กับจิตใจแต่อย่างใดเพราะเขาไม่ต้องไปทำบาปไปช่อกงไปหลอกลวงพูดเพื่อที่จะมาให้เขาเอาเงินมาให้เขามาใช้อย่างฟุ่มเฟืยได้ถ้าเราไม่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แบบนั้นก็ถ้าเราต้องไปหาเงินมาด้วยความทุกข์ยากลาบากหรือหาเงินมาด้วยวิธีช่อกงแล้วก็ อย่าไปใช้เงินใช้ทองแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันเท่ากั น, นกินอาหารมื้อละร้อยกับกินอาหารมื้อละพันนี่มันก็ได้ประโยชน์ทางร่างกายเท่ากันร่างกายก็ได้ความอิ่มเหมือนกันอาหารร้อยบาทก็อิ่มเหมือนกันอาหารพันบาทก็อิ่มเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักฐานะของเราด้วยในการเลี้ยงดูร่างกายว่าเรามีกําลังทรัพย์อยู่เท่าไหร่เราใช้ใช้ตามกําลังทรัพยข์ของเราไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปสร้างความทุกข์ยากลำบากให้กับใจไม่ใช่มสีสุขตายแต่ใจไม่สบายคนบางคนนี่กินอยู่แบบหรือละ แต่เวลานอนนี่นอนแบบกายหน้าผากนอนไม่หลับเพราะว่าใจวุ่นวายกับการที่จะต้องอาหารเงินมาจ่ายหนี้ต่างๆมาผ่อนส่งสินต่างๆที่ซื้อมาถ้าไม่มีเงินสดจะซื้ออย่าไปซื้อเลยเพอเมื่อซื้อแล้วมันเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วมันจะเป็นความทุกข์สร้างความทุกข์ให้กับใจพอเมื่อมีหนี้ก็ต้องมี มีการต้องใช้หนี้ก็ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาใช้หนี้ถ้าหาไม่ได้หาไม่พอไม่ได้ผ่อนส่งตามนัดก็อาจจะถูกเขายึดของคืนไปนี่เป็นไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจอาจจะสร้างความสุขสบายให้กับทางร่างกายแต่ความสุขสบายทางใจนี่กลับไม่มีกลับเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นอยู่บ้านผ่อนสงราคาหลายหลสตางบางทีนอนไม่หลับอ้อนไม่มีเงินจะผ่อนมวดต่อไปต้องนอนคิดนอนคิดก็นอนไม่หลับทำให้เสียสุขภาพทางร่างกายขึ้นมาอีกสู้คนที่นอนใต้สะพานไม่ได้ไม่ต้องผ่อนสงถึงแม้จะนอนแบบขอทานแต่ใจกับนอนหลับอย่างสบาย เพราะว่าไม่ต้องกังวลกับการจะต้องไปหาเงินมาจ่ายค่าผ่อนส่งที่อยู่อาศัยต้องรู้จักประมาณรู้จักประหยัดรู้จักใช้ตามเหตุตามผลใช้ตามกําลังของเราแล้วเราก็จะสามารถเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ถ้าอยากจะดูตัวอย่างก็ดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านกินอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านกินอยู่แบบมากน้อยสันโดษแล้วท่านก็สอนพระเนนให้กินอยู่แบบมากน้อยสันโดษเหมือนท่านพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในวังมาอยู่ท่ามกลางความหรูหราท่ามกลางความร่ำรวยท่านก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการอยู่แบบขอทานเลยอาหารก็กินอาหารที่ ทำให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนกันอาหารในวังมีราคาแพงกว่าอาหารที่ได้มาจากการบินทบาติอาหารบินธบาตนี้เป็นอาหารฟรีได้อาหารเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรมากดดันจิตใจไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะใจไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาจ่ายค่าอาหาร พระมุทธเจ้าจึงสอนให้พระเนรในการการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ให้เลี้ยงดูแบบวิธีที่ง่ายที่ไม่ยากต่อต่อจิตใจไม่ไปสร้างความทุกข์ไม่สร้างเป็นภาระให้กับจิตใจคือให้ใช้ของที่มีอยู่แล้วของฟรีๆของที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเป็นนักบวชก็ใช้การบินธบารเป็นการเลี้ยงชีพ ไม่ใช่มาบวชแล้วก็เอาเงินที่มีอยู่ตอนที่ยังไม่ได้บวชนี้เอามาใช้จ่ายซื้ออาหารกินตามที่เคยกินเคยกินอาหารแบบไหนก็ให้ลูกศิษย์เอาเงินไปซื้ออาหารมากินอย่างนี้ก็เป็นไม่ช้าก็เร็วเงินก็ต้องหมดเงินเงินหมดก็ต้องหาวิธีหาเงินมาวิธีหาเงินก็ต้องทําสิ่งที่ไม่ได้เป็น สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำให้ไปปฏิบัติให้ไปปีกวิเวกก็ต้องมาทำทำพุทธพาณิชต์ต่างๆขายขายเรื่องขายเครื่องวัตถุมงคลต่างๆเพื่อที่จะได้มีรายได้เอาเงินมาซื้ออาหารซื้ออะไรมากินต่อไปพระเจ้าทรงสอนให้พระนี่ หากินด้วยการบินธบาตต uh huh. ตัวพระพุทธเจ้าเองก็บินธบาติ uh huh. ถึงแม้ได้ตัดสั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว uh huh. ก็ไม่ทรงเลิกบินธบาติ uh huh. ส่งถือภารกิจการบินธบาตินี้เป็นอาชีพหลักของพระ อ, องค์เลย uh huh. อาชีพที่เลี้ยงดูร่างกาย uh huh. uh huh. ถ้าถ้าบิณธบาติแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆ แต่ถ้าใช้เงินทองไปซื้ออาหารมากินนี่เดี๋ยวเงินทองมันก็ต้องหมดได้หมดแล้วก็ต้องไปรบกวนชาวบ้านไปขอเงินทองด้วยการเรียลายอะไรต่างๆหรือด้วยการขายวัตถุมงคลมงคลหรือ ท, ทําพิธีเสกเป่าอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาแล้วเอารายได้นี้ไปซื้อซื้ออาหารกินตามความอยาก เพราะอาหารบินทะบ่านี้เลือกไม่ได้แต่ถ้าอาหารที่ใช้เงินทองนี้สามารถเลือกได้ว่าจะกินอะไรชอบกินอะไรอยากกินอะไรก็สั่งซื้อมาได้แต่มันเป็นการสร้างภาระกดดันให้กับจิตใจและทำให้ใจนี้หลงทางเพราะการเป็นนักบวชนี้มาบวชเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติทำเพื่อให้เพื่อดับความทุกข์ทางใจให้หมดไป ไม่ใช่มาสร้างความทุกข์ทางใจด้วยการกินอยู่แบบคารวะทุกข์องเรือนกินตามความอยากอย่างนี้ไม่ถูกวิธีของนักบวชพระเจ้าจึงทรงสอนให้นักบวชทั้งหลายควรจะบินธบาตเป็นอาชีพเป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดส่วนที่อยู่อาศัยส่วนเครื่องนุ่ห่ม ในสมัยที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญก็เป็นธรรมเนียมประเพณีของนักบวชที่จะไปหาผ้าในป่าชา้าผ้าที่เขาใช้หอ่อศพคนบางคนนี้เขาไม่มีกำลังที่จะเวลาคนตายไม่มีกำลังที่จะไปฝังหรือเอาไปเผาเขาก็เลยเอาผ้ามาหอ่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้า ให้ร่างกายมันเน่าเปื่อยไปเองให้มันกลับกืนสู่สภาพเดินไปเองเพราะการที่จะต้องไปเผาก็ต้องไปไปซื้อฟืนไปตัดต้นไม้การจะฝังก็ต้องไปขุดดินขุดหลุมฝังคนในประเทศอินเดียสมัยก่อนก็เป็นคนยากจนเป็นส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะเผาศพหรือฝังศพคนได้เขาก็เลยใช้วิธีง่าย เสื้อผ้าผ้ามาหาอศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้าพอศพเน่าเปื่อยายไ ป, ไปเป็นดินกลายเป็นเศษกระดูกไปแล้วผ้าก็ไม่มีใครต้องการทิ้งอยู่ในป่าชา้กากันเยอะแยะพวกนักบวชก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสของนักบวชที่จะต้องมีผ้าไว้เนื่องกป็นเครื่องนุ่งหง่ม ก็จะไปเก็บผ้าป่ามาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวรผ้านุ่งผ้าห่มผ้าที่อยู่ในป่าช้านี่เราเรียกว่าผ้าบางสกุลผ้าผ้าห่อศพนี้คือผ้าบางสกุลที่สมัยนี้เราเรียกย่อๆว่าเป็นผ้าป่าแต่ความจริงมันเป็นผ้าผ้าป่าช้าผ้าเอามาจากป่าช้า สมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้ภาพใช้ภาพบางบางสกุลเหมือนกันเพราะว่านักบวชนี้ไม่ต้องการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนไปรบกวนชาวบ้านรบกวนเพียงอย่างเดียวนั้นก็คือการบินธบาติและการบินธบาติก็ต้องไม่ไปขอไม่ต้องไปเคาะประตูเรียกบ้านนั้นเรียกบ้านนี้มาให้มาใมาส่บาตรให้ถือบาตรเข้าไปในในหมู่บ้าน แล้วเดินไปตามทางตามถนนชาวบ้านคนใดมีศรัทธาอยากจะทำบุญก็ก็ทำไปกายไม่มีศรัทธาไม่ทำบุญก็ไม่ต้องทำไปไม่ไม่ได้ไปบังคับไม่ไปทำให้ใครเสียหายเดือดร้อนเป็นการทำคุณทำประโยชน์ให้กับคนที่อยากจะทาบุญพราะคนบางคนก็มีศรัทธามีความเชื่อในการทำบุญ เพราะว่าเวลาทําบุญแล้วใจรู้สึกมีความสุขก็อยากจะทําบุญแต่บางทีก็ไม่ว่างที่จะไปวัดบ้างแต่ถ้ามีพระมาบิณฑบาบผ่านบ้านเขาก็ไม่ต้องเสียเวลามากอาหารเขาก็ไม่ต้องทําพิเศษอาหารเขาก็แบ่งอาหารที่เขาทําไว้สนอกักินนี้มาส่วนหนึ่งเอามาใส่บาตรก็ เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระที่ไปบิณฑบาตก็ได้อาหาร<ม>คนใส่บาตก็ได้ทำบุญ<ม>ทำบุญด้วยความสมัครใจด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อด้วยความยินดีไม่ได้ทําเพราะถูก<ม>บังคับให้ทำเหมือนสมัยนี้ในช่วงเวลามีกระถิน่นมักจะถูกบังคับกันด้วยการแจกซองซองกระถินให้กับคนนั่นคนนี้ แย่างก็นั่งคนเห็นซองก็ถองแล้วซองพอเห็นซองก็ถินแล้วจะเป็นนมกันเพราะว่าเมื่อได้ซองมาแล้วจะไม่ทําบุญก็รู้สึกกระดากใจไอคนที่เขาให้ซองมาอย่างนี้ไม่เป็นไม่ใช่เป็นวิธีที่ควรจะใช้ในการบอกบุญการบอกบุญนี่ควรจะบอกด้วยปากปล่า ก, ก็พอบอกว่าจะมีการทําบุญวันนั้นวันนี้เท่านั้นก็พอ แต่ไม่ต้องเอาซองมาแจกถ้าเขาอยากจะทำบุญเขาก็จะถามเองมีซองไหมถ้าเขาถามก็ค่อยให้ซองเขาไป mm hmm. ถ้าเขาไม่ถามก็อาจจะหมายความว่าเขายังไม่พร้อมก็ได้ mm hmm. เพราะว่าการเงินการทองของแต่ละคนนี่มันไม่แน่นอนบางทีก็มีเหลือใช้บางทีก็ไม่พอใช้ mm hmm. นี้ถ้าเราไปเรียกรายไปบังคับให้เขาทําบุญเวลาที่เงินทองเขาไม่พอใช้ก็จะทําให้เขานี่ต้องเดือดร้อนการบิณฑบาตนี้ก็เป็นแบบบอกบุญเฉยๆว่าเป็นนักบวชนะอาศัยการให้ของพูดให้ให้อาหารแต่ไม่ได้มาขอไม่ได้มาบังคับไม่ได้มาเรียกร้องแต่อย่างใด มาเดินให้คนที่มีความอยากจะทำบุญคนที่มีความสุขจากการทำบุญคนที่มีศรัทธาอยากจะได้บุญก็ให้เขาได้ทำกันถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ได้ไ ด, ได้ความสุขทั้งสองฝ่ายพราก็ได้ความสุขจากการได้อาหารไปรับประทานญาติโยมก็ได้ความสุขจากการได้ทำบุญตามศรัทธาของตนทำมากทำน้อย ทำอย่างไรก็สุดแท้แต่เพราะแต่ละคนก็อาจจะมีมีมีเหตุผลมีอะไรต่างๆต่างกันบางคนตรงกับวันเกิดก็อาจจะทำมากหน่อยวันที่ไม่ใช่วันเกิดก็อาจจะทำน้อยหน่อย mm. ก็ทำได้ตามความสบายใจ mm. ไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำเท่านั้นเท่านี้แ mm. ม้แต่ให้ข้าวเพียงทัพทีเดียวก็ได้ถ้าอยากจะทำบุญ คนบางคนนี้ไม่มีอะไรก็ใส่แต่ข้าวปล่าไปก็ได้อันนี้แหละคือการการเลี้ยงดูด้วยอาหารของพระพุทธเจ้า<ม>พุทเจ้าชัาน้นทรงสเสด็จบินตาบาทวันละหนึ่งครั้งฉันมื้อเดียวอาหารที่ได้มาจากการบินตาบาทก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่อัตคาดขัดสนส่วนผ้าก็ให้ไปหาผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชา้าคือผ้าบางสกุลเอาผ้าที่เพื่อนด้วยเลือดด้วยน้ำหนองน้ำเหลืองต่างๆนี้เอามาซักอามาย้มเามาต้มผ้าให้ให้มันสะอาดก่อนให้เอาของสกรปรกคราบเลือดคราบน้ำเหลืองอะไรต่างๆ ให้ออกไปจากผ้าแล้วก็เอามาซักเอามาย้อมสีแล้วก็มาตัดมามาเย็บให้เป็นผ้าจีวรผืนใหญ่ขึ้นมาทำเป็นผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าหม 2, ่มสองผืนเป็นผ้าหนึ่งสำรับหนึ่งชุดเรียกว่าผ้าไตรผ้าสามผืนด้วยกันอันนี้ไม่ต้องเสียสตังของฟรีๆมีทิ้งอยู่ในป่าช้า ใครจะไปเก็บมาก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครห้ามนี่คือวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการกินการใช้ผ้าเครื่องนุ่ห่มส่วนที่อยู่อาศัยก็นิยมไปหาที่ที่ในที่ในป่าไปอยู่ในป่าอยู่ตามโค้นไม้อยู่ตามร่มไม้ตมน้ไตนไม้นี้จะมีใบไม้ปกคลุมก็จะป้องกันแสงแดดได้ แล้วถ้าเกิดมีฝนฟ้าอะไรก็ทําเพิงจาก่งไม้จากใบไม้ไว้ป้องกันเวลาฝนตกได้ mm hmm. เพราะว่าการอยู่ในป่านี่มันเหมาะกับการบำเพ็ญจิตใจให้สงบนักบวดนี้ไม่ต้องการหาความสุขจากการมีลาบยศสรรเสริญจากการมีรูปเสียงกลิ่นลดโพฐพราชนิดต่างๆให้เสก แต่จะอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากความสงบจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิการที่จะทําให้จิตใจสงบด้วยการเจริญสตินั่งสมาธินี้จําเป็นต้องอยู่ในสถานที่สงบสงัดห่างไกลาจากเรื่องราวต่างๆห่างไกลาจากบุคคลต่างๆห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้กับเรื่องราวต่างๆ อยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะทําให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ทําให้ใจยากต่อการทําให้ใจสงบได้แต่เวลาไปอยู่ในปา่าหรือสถานที่วิเวกสงับสงบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีแสงสีเสียงไม่มีผู้คนไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆไม่มีเสียงอยึกกระทุกเพลโคร มีแต่ความสงบความเงียบของป่าเวลาเจริญสติก็ง่ายทำให้จิตหยุดคิดควบคุมจิตก็ง่ายเวลานั่งสมาธิก็ทำให้จิตสงบได้ง่าย น, นักบวชจึง น, น, งนิยมที่จะไปติวเวกอยู่ตามป่าตามเขากั น, นบางคนก็นจะไปเจอถ้ำก็ไปอยู่ในถ้ำหลบแดดหลบฝนได้ บางคนเจอเงื้อมผาก็พอหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ใต้เงื้อมผาไปหรือถ้าอยู่ตามคนไม้ก็ต้องสร้างเพิงไว้กันแดดกันฝนแต่ก็เป็นเพิงแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากทําคนเดียวก็ได้หากิ่งไม้หาใบไม้อะไรมาประกอบอันนี้คือการอยู่ของพระพุทธเจ้าอยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่แบบตามมีตามเกิด ไม่ต้องมากังวลกับการที่จะต้องไปซื้อบ้านไปผ่อนบ้านเวลาซื้อบ้านแต่ละหลังนี่ผ่อนบ้านแต่ละหลังนี่มันมีค่าใช้ใจ่ายซื้อมาแล้วก็เป็นหนี้เป็นหนี้ที่จะต้องคอยหาเงินมาจ่ายอยู่บ้านอย่างอยู่บ้านที่สบายที่สวยงามแต่ใจกับไม่มีความสุขเพราะใจนอนไม่หลับเพราะกังวลเกี่ยวกับเงินที่จะต้องผ่อนส่ง ว่าเดือนนี้จะมีพอมีเงินพอที่จะมาผ่อนให้กับค่าบ้านหรือเปล่าเพราะถ้าขาดการผ่อนสงไม่นานเขาก็จะมายุดบ้านคืนไปได้แล้วก็จะไม่มีที่อยู่อยู่ดีนันนี้คือเรื่องของบ้านของนักบวชของพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ตามตามมีตามเกิดอยู่ตามสถานที่ที่สงบ สังกัดวิเวกตามป่าตามเขาเป็นที่ได้ประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายก็มีที่อยู่อาศัยจิตใจกม็มีสถานที่บําเพ็ญเพื่อทําจิตใจให้มีความสุขให้ที่เกิดจากความสงบแล้วก็ส่วนยารักษาโรคนี่ปัจจัยข้อที่สี่ยารักษาโรคของนักบวชก็ใช้น้ําปัสสาวะนี่มา มาดองผลไม้พวกสมอเป็นต้นยาดองด้วยน้ำปัสสวาวะนี้ก็สามารถเอามาดื่เป็นยาได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าก็สอนและปฏิบัติเองมาในเรื่องของการใช้ปัสสาวะสีของนักบวชในกระทั่งในสมัยปัจจุบันนี้เวลาที่มีคนมาบวชพระอุปชาผู้ที่เป็นผู้กระทำการบวชให้นี้ เมื่อบวชเสร็จแล้วจงต้องสอนนิ ส, สัยสีคือสิ่ง ส, สิ่งที่นักบวชควรจะทำเป็นนิ ส, สัยอยู่สีข้อด้วยกันคือหนึ่งก็คือให้หาอาหารจากการบินทบาตสองให้ใช้ผ้าบางสกุลสามให้อยู่ตามโคนไม้น่าสี่ให้ใช้ยาดองน้ำมูดเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของตน เพราะการอยู่แบบนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองอเป็นของที่มีอยู่ฟรีๆไม่ผิดกฎหมายบินทบาดก็ไม่ผิดกฎหมายไปเก็บผ้าที่อยู่ในป่าช้ามาทำเป็นจีวรก็ไม่ผิดกฎหมายก็อยู่ตามป่าก็ไม่ผิดกฎหมายดื่มยาดองด้วยน้ดื่มดื่มยาดองน้ำมูดของตนเองก็ไม่ผิดกฎหมาย นี่แหละเป็นวิธีที่เราเราเจ้าใช้ในการเลี้ยงดูเลี้ยงดูร่างกายเพื่อร่างกายอยู่เป็นปกติสุขได้แล้วก็ไม่ไปสร้างภาระกดดันไม่ไปสร้างความหนักข อ, อกหนักใจให้กับใจ เ, เพราะใจเราก็ต้องรักษาให้ใจมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างสุขกายแต่ทุกใจ อยู่กินอยู่อย่างดีร่างกายกินอยู่อย่างดีแต่ใจนี้เครียดตลอดเวลาเครียดกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาใช้ใจ่ายเลี้ยงดูร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้ปัจจัยสี่ให้ไม่ให้ไปไปเป็นภาระหนักแกจ่จิตใจไม่ให้ไปเป็นโทษกับจิตใจไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจด้วยการอยู่แบบหรูหราด้วยการอยู่แบบใช้ของแพ ง, แพง โดยใช้มากๆก่อความจำเป็นความต้องการของร่างกาย น, นี่ก็คือเรื่องของการดูแลร่างกายเพื่อให้ใจของเราอยู่อย่างเพื่อให้กายของเราอยู่อย่างร่มเป็นร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เพื่อไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ความลำบากให้กับใจด้วยถ้าอยู่แบบมากน้อยสันโดนอาจจะต้องไม่ต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าหรอกแต่ก็เอา เอาเป็นตัวอย่างเอาพอประมาณเช่นอาหารเราก็กินอาหารตามกำลังของเราที่เราจะไปซื้อหามาได้ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารราคาแพงแพงอาหารอะไรที่ทำให้กินแล้วร่างกายดับความหิวได้ถ้าก็ไม่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าใช้ได้เสื้อผ้าราคาที่ไม่ไม่แพงก็ใช้ใช้ทำหน้าที่ของเสื้อผ้าได้ เสื้อผ้าชุดละพันกับชุดละหมื่นมันก็เหมือนกันมันก็หน้าที่ของเสื้อผ้าก็ทำหน้าที่ของเสื้อผ้าได้เหมือนกันก็คือมีเสื้อผ้าไว้เพื่อปกปิดร่างกายนั่นเองป<ม>กปิดอวัยวะของร่างกายแล้วก็ป้องกันป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นอากาศหนาวเย็นเป็นต้นหรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆถ้าไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่มันก็จะอาจจะถูก ภายเหล่านี้มาคุกขามได้แล้วก็ไม่ต้องมีจำนวนมากจนเกินไปร่างกายเราก็มีร่างเดียวเลวลาเราใส่เสื้อผ้าเราก็ใส่ทีละชุดเราไม่ได้ใส่ทีละร้อยชุดเนื่องถ้าถ้าจะใช้แบบประหยดัดใช้แบบไม่ให้มีโทษกับจิตใจก็ให้ใช้น้อยๆมักน้อยใช้เท่ามีเท่าที่จำเป็นก็พออย่างสำหรับนักบวชนี้ก็มีแค่ผ้าสามผืนก็พอ มีผ้าห่มสองผืนมีผ้านุ่งหนึ่งผืนนี่ก็สามารถสลับกันใช้สลับกันซักได้ถ้าเป็นญาติโยมถ้าเป็นญาติโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวในวันนี้มีแค่สามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองเผืแ่อบบวันไหนซักแล้วไม่แห้งแห้งไม่ทันก็จะได้มีชุดสำรองมีสามชุดนี้ก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแนละ้วมีชุดขาวสามชุดก็พอ อันนี้ยกตัวอย่างของการอยู่แบบสบายสบายใจสบายกายร่างกายก็ได้สิ่งที่ร่างกายต้องการใจก็ไม่ทุกข์กับการที่จะต้องคอยหาเสื้อผ้าอรต่างๆมาใส่ให้กับร่างกายบางคนนี้หลงคิดว่าต้องมีเสื้อผ้าสวยๆต้องมีเสื้อผ้าใหม่ๆอยู่เรื่อยถึงจะถึงจะมีความสุขแต่มันไม่ใช่เป็นความสุข ข, ของร่างกายมันเป็นความสุข ข, ของใจ ที่เป็นความสุขเดียวๆ เ, เวลาที่ได้ซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่แต่มันจะกลายเป็นความทุกข์กับใจไปด้วยเพราะใจจะต้องเป็นคนไปหาเงินหาทางมามาใช้ใจ่าย<ม>ก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพราะว่าใช้ค่าใช้ใจ่ายมากรายรับก็ต้องมากขึ้นเมื่อรายรับมากก็ต้องหางานมากทํางานมากทํางานหนักขึ้น<ม>แทนที่จะเป็นความสุขใจกลับต้องมาทุกข์เพราะเงินทองอาจจะไม่พอใช้ก็ได้ ออันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสี่ให้ดูแลตามฐานะของเราตามกําลังทรัพย์ของเราเพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับใจเพราะว่าปัจจัยสี่นี้มันมีหลายราคาแต่มันก็สามารถทําหน้าที่ได้เท่ากันปัจจัยสี่ราคาถูกแต่ปัจจัยสีราากกจจยส่ราคาแพง มันก็ทําหน้าที่ให้ให้ร่างกายเหมือนกันเพื่อดูแลร่างกายไม่ให้ทุบไม่ให้เดือดร้อนให้ร่างกายอยู่อย่างปลากระกพิสุขอาจาะฉะนั้นไม่ควรที่จะต้องใช้เงินทองมากเกินไปเราจะได้ไม่ใจได้ไม่ต้องไปลา บ, บากกับการหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายนั่นเอง เลี้ยงดูร่างกายแบบง่ายๆเลี้ยงแบบมากน้อยสันโดดนี้สบายที่สุดสบายสนับใจแล้วก็ก็ไม่แล้วก็สบายสนับกายด้วยเพราะว่าร่างกายก็จะไม่กินมากเกินไปก็จะไม่เป็นโรคอ้วนไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรนี้คือเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายให้ให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบายคือต้องมีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการ การอยู่ของร่างกายส่วนจิตใจนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมาดูแลเหมือนกันจิตใจก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายแต่ปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกันคืออาหารของร่างกายกับอาหารของใจนี้ไม่เหมือนกันเครื่องนุ่งห่มของใจกับเครื่องนุ่งห่มของร่างกายนี้ไม่ไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันเครื่องนุ่งที่อยู่อาศัย ของใจกับที่อยู่อาศัยของร่างกายก็ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันยารักษาโรคใจกับยารักษาโรคของร่างกายก็ไม่เป็นยาชนิดเดียวกันเป็นคนละอย่างกันเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าอาหารของใจคืออะไรถ้าเรามาศึกษาคำสั่งคำสอนพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าอาหารของใจก็คือการทําบุญทำทานนี่เเวลาที่เรา มีความหิวอ ย, หอยากได้นู่นอยากได้นี่เราไม่ควรไปทำตามความอยากของใจเพราะใจสิ่งที่ใจอยากได้นี้ไม่ได้เป็นอาหารของใจเช่นอยากไปเที่ยวอยากจะซื้อของพุ่มเฟยอยากจะกินจะดื่มอยากจะดูจะฟังอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารของใจแต่เป็นยาเสพติดของใจเป็นเหมือนยาเสพติด ของพวกนี้อเวลาได้เสพแล้วก็จะเกิดความสุขชั่ ว, วขณะที่ได้เสพเช่นเวลาอยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวก็มีความสุขแต่พอกลับมาเลิกเที่ยวกลับมารับความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปแล้วก็ทําให้ใจหิวเกิดความหิวกอดความอยากไปเที่ยวขึ้นมาใหม่เที่ยวกี่รอบกี่ครั้งก็ไม่สามารถทําให้ใจอิ่มใจพอไม่สามารถทําให้ใจอยู่เฉย โดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดใครที่เสพยาเสพติดก็คงจะรู้ว่าเมื่อเสพแล้วมันติดจะต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆแม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่ถือว่าเป็นยาเสพติดก็เป็นสิ่งเสพติดเหมือนกันเช่นของบางอย่างที่เราบริโภคเช่นกาแฟอย่างนี้ลิสราอย่างนี้พอเราไปดื่มแมล้วเราจะติดนั่นเราจะต้องมีดื่มอยู่เรื่อยๆ เวลาที่เราไม่ได้ดื่มเราก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความหิวความอยากกับสิ่งเหล่านี้ขอให้รู้ว่าเรากำลงังหิวกับยาเสพติดของใจหิวกับรูปเสียงกลิ่นนรสผุดัะพ้ายหิวกับการดูหนังฟังเพลงดูละครหิวกับการกินการดื่มที่ไม่ที่ไม่ ท, ไมที่ไม่จาเป็นจะต้องกินต้องดื่ม หิวกับการไปเที่ยวไปดูอะไรต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดเพราะว่าได้มาได้เสพเท่าไหร่มันก็จะไม่ให้ความอิ่มความพอแต่มันกลับจะทําให้เกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทําให้ใจเราอิ่มใจเราอยู่เป็นสุขได้นั้นต้องเอาเงินที่เราจะไปซื้อของยาเสพติดนี้มาซื้ออาหารของใจ อาหารของใจก็คือการทําบุญทําทานนีเ่เอาเงินไปทําบุญเอาไปส่งท้อเอาไปสนับสนุนคนดีหรือองค์กรที่ทําคุณทําประโยชน์ให้กับสังคมเช่นแต่บริจาคเงินให้กับวัดบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเป็นต้นการกระทําอย่างนี้เป็นการให้ความสุขกับใจและก็ให้ความอิ่มกับใจด้วย ทำให้ความอยากไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขจากยาเสพติดของใจนี้มันจะลดน้อยถอยลงไปตามลาดับทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินไปกับ ก, บการเสพยาเสพติดของใจเราก็เอามาซื้ออาหารของใจด้วยการทำบุญทาทานในรูปแบบต่างๆทำได้ไหลายทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อแม่ก็ได้บุญได้ความสุขใจหัว ใ, ใจเหมือนกัน ทำกับผู้ท <t ell> ี yours, mm. ่มีพระคุณกับเราตอบแทนบุญคุณกับท่านก็เป็นความกตัญญูกตเวทีทำนั้นก็จะทำให้มีความสุขใจอิ่มใจทำกับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหือยร้นพอเราได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเหนือนร้อนเช่นเวลาที่มีน้ำท่วมในปีนี้มีน้าท่วมหลายที่ด้วยกันเราก็บริจาคเงินบริจาคทองเพื่อไปซื้อข้าวของซื้อปัจจัยสี สิ่งที่เขาจะต้องเอามาใช้ในการเลี้ยงดูชีวิตของเขาพอเราได้เห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือของเราจากการเสียสละของเราเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้แหละคืออาหารของใจถ้าเวลาใดที่ใจหิวใจอยากได้นู่นอยากได้ไดนี่แสดงว่าใจอยากจะทําบุญอยากได้บุญไม่ใช่อยากจะได้ไปเที่ยวไม่ใช่อยากจะได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือย ไม่ได้อยากไปซื้อนองเท้าคู่ใหม่ซื้อกระเป๋าคู่ใบใหม่เป็นต้นถ้าเกิดความอยากจะซื้อของเหล่านี้มันเป็นเพียงเครื่องบอกว่าใจกําลังติดติดกัญยาเสพติดของใจเราต้องเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูใจให้อิ่มด้วยการเอาเงินเอาทางที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี้มาให้กับการทําบุญทําทานเพราะเมื่อเราได้ทําบุญทําทานแล้วใจเราจะเกิดความอิ่มเกิดความสุข มันจะทําให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวเหมือนกับการที่เราเอาเงินไปเที่ยวกันเอาไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันพอเวลาที่เราไม่ได้เที่ยวไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยเราจะเกิดความรู้สึกเหงาเกิดความว้าวเวขึ้นมาแต่อาการเหล่านี้จะไม่เกิดถ้าเราเอาเงินมาทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวก็ เปลี่ยนามาให้กับการทาบุญทำทานกับองค์กรต่างๆก็ได้กับบุคคลต่างๆก็ได้ความสุขใจอิ่มใจนี้ไม่ได้เลือกว่าจะต้องทำกับคนนั้นคนนี้การที่เราเลือกทำบุญกับคนนั้นคนนี้นั้นเราต้องการบางอย่างจากคนที่เราไปทำบุญด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้รับนอกเหนือจากการทาบุญ การทำบุญทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเห็นใจเหมือนกันแต่ทำบุญกับคนบางคนล้วอาจจะได้ของตอบแทนกลับมาเช่นทำไปทำบุญกับพระพระที่มีธรรมะเราก็จะได้ธรรมะกลับมาพอเวลาเราไปทำบุญท่านก็จะสอนธรรมะให้กับเราถ้าเราไปทำบุญกับหมอกับพยาบาลเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ท่านไปทำบุญที่โรงพยาบาลเขาก็อาจจะบอกว่าตอนนี้มีโรคระบาดนะต้องดูแลรักษาร่างกายอย่างไรอันนี้เป็นผลผลผลพลอยได้เป็นของแถมมาแต่บุญที่เราได้จากการบริจาคเงินบริจาคทองให้กับบุคคล น, นั้นหรือสถานที่นั้นมันเป็นความรู้สึกทางใจของเราคือความสุขใจอิ่มใจอันนี้ไม่ว่าจะให้ใครก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน สิ่งที่เราจะได้จากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีอะไรจะให้เราแล้วเราต้องการอะไรจากเขาเช่นเรามาทําบุญกับพระนี่ส่วนหนึ่งเราก็อยากจะได้ธรรมะจากพระอยากจะได้ยินได้ฟังธรรมเพื่อเราจะได้มีธรรมะมาสอนใจเราให้ใจเราเอาไปใช้กาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปอันนี้เป็นผลเป็นบุญหรือเป็นผลข้อที่สองที่เราจะได้ แต่ผลหรือบุญข้อที่หนึ่งที่เราจะได้ไม่ว่าเราจะทําบุญกับใครก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เป็นอาหารของใจฉั้นขอให้เราทําความเข้าใจถ้าเราต้องการทําบุญเพื่อให้เกิดความสุขใจอิ่มใจนี่เราทากับใครก็ได้แต่ถ้าเราต้องการทั้งความสุขใจอิ่มใจแล้วต้องการสิ่งตอบแทนจากบุคคลที่เขาที่เราไปทําบุญด้วยเะนนอยากจะได้ความรู้จากเขาเราก็ต้องไปทําบุญกับคนที่มีความรู้ที่เราต้องการ อยากจะมีความรู้ทางแพทย์แล้วก็ไปทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับหมออยากจะมีความรู้ทางธรรมล้วก็ไปทําบุญกับพระเป็นต้นอันนี้ต่างกันสิ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลนี้จะต่างกันแต่การให้ของเราให้กับบุคคลไม่ต่างกันให้กับหมอให้กับพระอความสุขใจอิ่มใจนี้ได้เท่ากันอันนี้คืออาหารของใจที่เราควรที่จะ คอยให้อยู่เรื่อยๆเวลาใดที่เราเกิดความอยากความหิวอยากจะได้ข้าวของเงินเงินทองต่างๆเนี่ยแสดงว่าเรากำลังติดยาเสพติดแล้วเราอยากได้ของหนูหลาของแพงๆอันนี้เราอย่าไปทำพอทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแทนที่เราจะเอาเงินไปใช้กับสิ่งเหล่านี้ให้เราเงินไปให้กับการทาบุญทาทานแล้วใจเราจะมีความ ความสุขใจอิ่มใจความหิวโหยจากการที่อยากจะไปะซื้อของแพงๆของหรูหราของที่ไม่จําเป็นหรือซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับคนที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆทาบุญอยู่มากๆนี้มักจะไม่ไม่มีความอยากจะไปเที่ยวไหนมีญาติโยมบางคนที่ใส่บาททุกวันเจอเขาทุกวันถามเขาว่าไม่ไปเที่ยวไหนเลยไม่รู้จะไปทําไมเขาก็อยู่บ้านมีความสุขมีความสบาย เขาได้ความสุขใจจากการทำบุญเป็นประจำมีหมายถาวนจะไปไหนไม่ไปอยู่บ้านดีกว่าทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจปลอดภัยด้วยไปเที่ยวมันก็ต้องไปเสี่ยงภัยบนท้องถนนขับรถกันดีไม่ดีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีแต่ภัยรอบด้านเวลาที่เราออกจากนอกบ้านแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วมันปลอดภัยกว่าสบายกว่า แต่ที่อยู่กันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารกับใจเราไปให้ยาเสพติดกับใจ น, นั่นเองเราไปเที่ยวกันเนี่ยเป็นการให้ยาเสพติดเที่ยวแล้วมันก็ติดมันก็อยากจะออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญทำทานแทนความอยากไปเที่ยวมันก็จะลดน้อยถอยไปแล้วหายไปในที่สุดก็ได้นี่คืออาหารของใจคือการทาบุญทาทานส่วน เสื้อผ้าผ่เครื่องนุ่งห่มของใจคืออะไรก็คือศีล น, นี่ศีลห้านี่แหละเป็นเครื่องนุ่งห่มของใจเพรจะป้องกันภัยที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจภัยของของใจคืออะไรก็คือการต้องไปใช้ใช้กรรมในอบายนั่นเองถ้าทําบาปแล้วมันจะมีกรรมติตดติดตัวไปเวลาร่างกายตายไปใจจะต้องไปเกิดในอบายใจยังไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ต้องไปใช้กรรมให้หมดก่อนถ้าทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอสุลกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไป ไฟนรกไปเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกที่มีไฟนรกเผาผลาญไฟความทุกข์ที่เป็นไฟนรกเผาผลาญใจแต่ถ้าเรารักษาศีลหาได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มโซลาของมึนเมาต่างๆได้การจะไปทําบาปก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อการไม่ทําบาปเกิดขึ้นภัยที่จะมาคุกคามใจก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ตายไปก็จะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลยอันนี้คือเสื้อผ้าพรไว้ป้องกันภัยของใจแล้วก็เสริมสวยความงามของใจด้วยคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี่ใครน่ารักน่าน่าน้าเคอะคาสมาข่มกอดกันคนที่ไม่มีศีลคนที่ชอบโกโหกหลอกลวงคนที่ชอบลักขโมยคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้กับคนที่ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่โกหกนี้ คนไหนแบบไหนหน่ารักกอดกันเวลาเราจะจ้างใครมาทํางานกับเราเราก็ต้องดูนิสัยเขาว่าเขานิสัยเขาชอบทํำบาปหรือไม่ชอบทํำบาปถ้าเขาชอบลักขโมยนี้เราก็ไม่อยากจะจ้างเขามาทํางานกับเราเพราะถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่เขาก็อาจจะขโมยเข้าของเงินทองของเราไปได้นั่นเองเหต น, นถ้าเราอยากจะให้ใจเราสวยงามอยากให้คนเขารักเราชอบเราให้เรามาเสริมสวยความงามของใจด้วยกัน มีรักษาสีลห้าให้มีสีลห้าแล้วใจจะเป็นใจที่สวยงามแล้วตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไปสวรรค์เลยถ้าเราทาบุญทำทานอยู่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ทำบาปเวลาตายไปบุญก็จะมีมากกว่าบาปบุญก็จะพาให้เราไปเกิดเป็นเทวดากันอนนี้ก็คืออาหารของใจและเสื้อผ้าผอของใจ ถ้าเรามีสองอย่างนี้เนาะใจเราจะไปเป็นเทวดากันหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <ST DS> ไม่ต้องไปเกิดในอบายส่วนที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิ น, นั่นเองคือความสงบ <ST DS> เวลาใจวุน่นวายทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ถ้าเราเข้าสมาธิได้ถ้าเรามีบ้าน <ST DS> เราเข้าไปหลบในสมาธิได้ถ้าใจมีบ้านหลบในสมาธิได้ ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะไม่ตามเข้าไปตามเข้าไปไม่ได้เพราะเวลาอยู่ในบ้านอยู่ในสมาธินี้ใจหยุดคิดนั่นเองพอหยุดคิดความคิดต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความคิดต่างๆก็าหายไปหมดวิธีเวลาที่เรามี ค, again, าความทุกข์ใจวุ่นวายใจแล้วเราอยากจะให้ความทุกข์ใจวุ่นวายใจหายไปชั่วคราวเราก็เข้าไปในบ้านของเราบ้านของเราก็คือสมาธิบ้านของใจก็คือสมาธิ ทำใจให้นิ่งให้สงบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีที่หลบภัยหลบความทุกข์ใจต่างๆเราก็ต้องมาสร้างบ้านกันคือคือสมาธิด้วยการฝึกสติสติเป็นเหมือนวัสดุก่อสร้างการที่เราจะสร้างบ้านได้เราก็ต้องมีวัสดุก่อสร้างต้องมีมีหินมีทรายมีปูนมีเหล็กมีไม้มีอะไรต่างๆมาเป็นส่วนประกอบบ้านของใจ ก็เหมือนกันการยจะทําให้ใจมีสมาธิมีบ้านขึ้นมาก็ต้องใช้วัตถุก่อสร้างวัตถุที่จะมาสร้างบ้านของใจก็คือสติเราต้องมีสติคือมีกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ที่เราจะใช้สร้างความสงบขึ้นมากรรมฐานก็มีหลายชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติก็ใช้ความระลึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าเราเลิกถึงพระเจ้าอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็สามารถควบคุมความคิดได้อยู่ความคิดได้ใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เวลามีความทุกข์ใจเครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับตรงนี้เราก็เพ่งแต่พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจก็จะหายไปความทุกข์ใจก็หายไปใจก็สงบขึ้นมาในระดับในระดับหนึ่งจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับกําลังของสติที่เราฝึกฝนอบรม ถ้ามีสติมากใจก็จะสงบจะนิ่งได้มากก็จะอยู่ได้นานจะสงบได้นานถ้ามีสติน้อยก็จะสงบได้ไม่นานเั <c oughs> งนั้นการฝึกสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญฝึกสติด้วยกรรมฐาน <c oughs> กรรมฐานก็เป็นวัสดุก่อสร้างมีหลายชนิดด้วยกันพุทธานุสติก็ได้ถ้าส่วนมน์ก็เรียกว่าธรรมานุสต <c oughs> สิส่วนมวตก็สวดคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้านั่งดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอาณาปณะสติถ้าดูร่างกายคอยควบคุมใจให้อยู่ติดอยู่กับร่างกายก็เรียกว่ากายกัตตาสติกรรมฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านของใจที่จะทําใจให้สงบให้ใจนิ่งให้ใจเย็นให้ใจสบายเวลาที่เกิดความทุกข์ใจเราก็เข้าไปหลบเข้าไปในสมาธิได้นะพยายามฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆแล้วเราจะมีที่หลบภยัย เวลากิดความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีวิธีไหนที่จะดับความทุกข์แบบนี้ได้อย่างรากคาบอย่า ง, าง ม, ม, มั่นคงก็คือการเข้าไปในสมาธิเข้าไปในสมาธิแล้วความทุกข์ต่างๆจะหายไปปิดทิ้งเลยแต่เพียงแต่ว่ามันจะหายไปชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิทอนนั้นเองแต่ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วนี้ความทุกข์ใจก็อาจจะกลับคืนมาได้มาใหม่ได้ ถ้าเราอยากจะกําจัดความทุกข์ใจให้มันหายไปอย่างทาวรเราก็ต้องใช้ยารักษาความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจ น, นี้ก็คือโรคของใจนี้การที่จะทําให้ความทุกข์ใจ น, นี้หายไปได้อย่างทาวรนี้สมาธิไม่สามารถทําหน้าที่นี้ได้สิ่งที่จะทําหน้าที่นี้ได้ก็คือปัญญาเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากอะไรพระเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเอง อยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจทำไมเราถึงต้องมาทุกขกับสิ่งต่างๆเ oh. พราะเราไปเราไปเข้าใจผิดเราคิดว่าสิ่งต่างๆนี้จะสามารถมาดับความทุกข์ของใจของเราได้แต่มันไม่สามารถดับได้อย่างถาวรเพราะมันเป็นของชั่วคราวเช่นเรามีความทุกข์ใจเราก็ไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวความทุกข์ใจก็หายไปชั่วคราว พอกลับมาจากเที่ยวความทุกข์ใจก็โผล่กลับขึ้นมาอีกวิธีที่จะแก้ให้ใจเราไม่ไม่ทุกข์ก็คือเราต้องหยุดความอยากของเราหยุดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ให้ความสุขกับเรานี้มันไม่เป็นของนเที่ ย, ง, ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วมันอาจจะให้ความสุขเราชั่วคราวแล้วต่อไปมันก็เปลี่ยนไปหรือมันหายไปหรือมันจากเราไป พอมันหายไปจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะหยุดความอยากที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราก็ต้องลองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่เป็นทุกข์ทุกเพราะไม่เทีย่ยวทุกข์เพราะเราไม่สามารถไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ ต, ตลอดเวลาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราวันนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราในวันพรุ่ง น, นี้ก็ได้เช่นเวลาเขาตายจากเราไปนี่วันนี้อยู่กับเราเรามีความสุขกับเขา พอพวกนี้เขาตายไป тогда, ความสุขที่เขาให้เราก็กลายเป็นความทุกข์ดังนั้นต้องม <rotation. S 1> องอให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากอยากได้มาให้ความสุ ข, ขกับเรานี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยวเมืม่อเป็นไม่เที่ยว ม, มันก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเมืม่อเราเห็นว่าสิ่งต่างๆ ท, ที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรามาดับความทุกข์ใจของเรานี้กลับกลายเป็นตัวทุกข์ซะเองเราก็ต้องหยุดความอยากพอเราหยุดความอยาก Lau วาความอยากที่ทําให้ใจเราทุกข์ก็หายไปอื แล้วสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความทุกข์กับเราเราก็ไม่ได้เอามาเราก็จะไม่มีทุกข์ตามมานี่คือวิธีใช้ปัญญาก็กต้องหยุดความอยากหยุดความอยากทุกครั้งที่อยากได้อะไรต้องพิจารณาสิ่งที่อยากได้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยวก็าเราไปสั่งให้มันเที่ยวไม่ได้ให้เห็นตายลักในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความอยากต่างๆที่มีในใจก็จะหดหายไปหมด พอไม่มีความอยากในใจทุกใจที่เป็นโรคของใจก็จะหายไปหมดนี่คือเรียอการใช้ธรรมโอสถธรรมโอสถก็คือปัญญาสนัดถนุนด้วยสติเพราะว่าถึงแม้จะมีปัญญาถ้ารู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกําลังหยุดความอยากได้ก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสติมีทั้งสมาธิช่วยกันแล้วจะทําให้ความทุกข์ใจโใครคภัยแค่เจ็บทางใจนี้หายไปได้อย่างปิดทิง้ง หายไปอย่างถาวรหายไปแบบที่ไ ม, ไม่ไม่มีวันจะกลับมาอีกเมื่อใจไม่มีความทุกข์หงเหลืออยู่ในใจเพราะไม่มีความอยากหงเหลืออยู่ในใจใจก็จะมีแต่บรลลุ ม, มสุข <S <S ใจที่เป็นบรลล ม, มสุขนี้เราเรียกว่านิพานใจที่มีบรลลุ ม, มสุขก็จะไม่หิวกับอะไรอีกต่อไปก็จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป <S <S นี่คือปัจจัยสี่ของใจ <S <S ที่เราต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ ด้วยการทำทานให้อาหารกับใจด้วยการทำทานรักษาศีลให้เสื้อผ้าพรกับใจฝึกส ต, ตินั่งสมาธิเพื่อให้ที่อยู่อาศัยกับใจแล้วก็สร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อเป็น ญ, ญารักษาโรคใจ mm hmm. ถ้าเรามีปัจจัยสีพร้อมบริเวณนล้วใจของเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระหลานตถาวตทั้งหลาย mm hmm. นี่คือวิธีที่พระเจ้าได้ส่งนํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสรรโลกผู้ที่ปรารถนาที่จะอยู่อย่างสุกกายสบายใจให้หาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจถ้ามีปัจจัยสี่ของใจของกายและมีปัจจัยสี่ของร่างกายสมบูรณ์แล้วความอยู่อย่างสุข ก, กายสบายใจก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรออยะทาวะริวาหาปุราปะริกุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกะปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิชฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันทูปนะรัสุยถามณิโชติรัสุยถาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทานศีริสะนิจจังวุทตาปะจายโนจตารุธรรมวัฏาติ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 อยากจะได้คำตอบก็ถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 345ท่าท่าน t u b e พระสุชาติไลฟ์343ท่าน YouTube d o ร V ว6ท่านวิทยุออนไลน์ Online, 13ท่าน Clubhouse 4ท่าน นากฏตร้อยห้าสิบแปดท่านรวมทั้งหมด9ก้าร้อยเก้าท่านขพระอาจารย์ถามได้เลยมีคำถามจากทางอินบ็อกซ์นะคะถามว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นกาแฟผิดศีลข้อห้าไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมายังควบคุมสติได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้ติด และเวลาไม่ได้ดื่มมันจะรู้สึกหุหงุดหงิดจะรู้สึกไม่สบายใจงั้นถ้าทางที่ดีอย่าไปดื่มมันได้จะดีกว่า จากทาง YouTube ค่ะคุณอนนนงค่ะกราบพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงขออนุญาตเรียนถามค่ะในขณะที่นั่งสมาธิโดยใช้คำว่าพุทโธมีความรู้สึกว่ามีคำว่าพุทโธผุดขึ้นมาในใจเราควรจะสนใจสิ่งนี้หรือไม่คะหรือเราควรบริกรรมพุทโธต่อไปอย่างเดิมคะก็ถ้ามันเป็นพุทโธก็จะบริกรรมก็ได้จะดูที่มันผุดขึ้นมาก็ได้แต่ กลัว่าเดี๋ยวมันจะหายไปทางที่ดีก็พุโทโธไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราต้องการให้มันว่างทุกอย่างให้จิตว่างไปหมดเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็อาจจะหลอกเราได้หลอกให้เราไปหลงมันได้ดังนั้นอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรากาําลังนั่งสมาธิเราพุโทโธพุโทโธเพื่อล้างใจให้สะอาดให้สงบให้ว่างให้เย็นให้สบาย จากท่านต่อไปค่ะอะกะับเรียนถามค่ะการละกามฉันทะกับการละโทสะอย่างไหนละยากกว่ากันครับแล้วสติกรรมฐานใดจึงละโทสะได้ดีที่สุดครับมันแล้วแต่คนอ่ะบางคนก็ละกามฉันทะยากบางคนก็ละโทสะยากแล้วแต่ยากง่ายก็ต้องละด้วยกันทั้งนั้นพิธีละกามะฉันทะก็ต้องถือศีลแปด เือต้นก็ถือศีลแปดก็จะตัดความอยากในการได้เพราะว่าเราจะดูหนังฟังเพลงไม่ได้จะไปเรื่อมหลับนอนกับแฟนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราถือศีลก็ทำไม่ได้แล้วถ้าจะให้มันหายอย่างปิดทิ้งก็ต้องพิจารณาว่ากรางมรคุณห้ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันให้ความสุขแบบชั่วคราวเวลามันจางหายไปมันก็จะทาให้เราทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากจะทุกข์เวลาที่เราไม่ได้เสพกามก็อย่าไปเสพมันเลยดีกว่า mm hmm. เราจะเลิกได้อย่างท้าวล่วนโทสะก็ต้องใช้ความเมตตาต้องให้อภัยกันอย่าถือโทษโกรธเคืองกันสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมาโกรธก็มาสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยใช่เหตุเหตุการ์ที่ทำให้โกรธมันผ่านไปแล้วก็ให้ความโกรธมันผ่านตามกับเหตุการณ์นั้นไป เราใจเราจะได้ว่างใจเราจะได้เย็นเราห้ามเขาไม่ได้หรือบางทีเขาก็ห้ามตัวเขาไม่ได้บางทีเขาทําด้วยไ ม, ไม่มีความมีเจตนาไม่มีความตั้งใจหรืออาจจะทําด้วยความรู้แก่โทสะของเขาขึ้นมาเราก็อย่าไปก่อเวรก่อกรรมกันถ้าเราไปตอบโต้กันเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องยาวกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวในที่สุดก็จบกันที่ฆ่ากันตายได้ จากคุณจรัญญาทางเฟ e บุ๊ k นะคะฝากคำถามค่ะจริงๆแล้วเราควรระลึกถึงแต่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะระลึกว่ามันจะผ่านไปเราควรทำสิ่งที่มีประโยชน์เช่นกำลังหน้าบูดอารมณ์ขุนวหรืออารมณ์โกรธเราก็สลัดทิ้งไปเพราะมันเป็นโทษเมื่อสลัดทิ้งสลัดสิ่งไม่ดีออกไปก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองถูกต้องไหมคะใช่แต่การจะสลัดนี้มันต้องมีเครื่องมือต้องมีสติถึงจะสลัดได้ บางทีรู้ว่าโกรธแต่หยุดมันไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธถ้าเรามีสติมีพุทโธมีกําลังอะไรเกิดขึ้นมาไม่ดีแล้วก็หยุดมันได้นั้นไม่ใช่ดูเฉยเฉยไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันเฉยเฉยถ้าอยู่ปัจจุบันแต่ไม่มีกําลังก็สู้กับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันไม่ได้ดับมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ต้องใช้สติถ้ามีพุทโธพุทโธดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้ เราก็จะสามารถเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วยจากคุณน้อยค่ะปฏิบัติภาวนาในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเวลามีความคิดใดๆเกิดขึ้นจะรู้ตัวเร็วและสามารถกลับมาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธได้ไม่ว่าจะเป็นความคิด ทางดีห ร, หรือไม่ดีตั้งแต่ลืมตาจนเข้านอนมีข้อสงสัยอยากถามพระอาจารย์เพราะพบว่าเมื่อลืมเมื่อลืมตาตื่นขึ้นในตอนเช้า <S <S ก็มีคำภาวนาเกิดขึ้นพร้อมกับการลืมตาอัตโนมตัติแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็แสดงว่ามันเริ่มสติเริ่มทางานด้วยตัวของมันเองนะโดยที่เราไม่ต้องกอยไ ป, ไปผลักดันมันแต่ก็พยายามทาต่อไปให้มันมีสติต่อเนื่องตลอดวันตลอดคืนยกเว้นเวลาหลับ แล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปนั่งสมาธิก็ทำจิตให้นิ่งสงบอย่างเต็มที่ให้รวมเป็นสมาธิขึ้นมาถ้ายังจิตยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็ยังแสดงว่าสติยังมีกําลังไม่พอก็ต้องฝึกสติต่อไปอยู่เรื่อยๆจากคุณนาวินค่ะกับดินหามพระอาจารย์การเพ่งเป็นในคำบริกรรมพุทโธเป็นอย่างไรครับก็ให้รู้ว่าเรากาลังพุทโธอยู่นั่นเอง ขอใเรารู้ว่าเดี๋พุโทโธพุโทโธอย่าหนีพุโทโธไปให้อยู่กับพุโทโธไปให้จิตกับพุโทโธเป็นหนึ่งอันเดียวกันเหมือนคนสองคนกอดกันเนี<ม>่ยจิตกอดพุดโทโธให้แน่นอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆจากทาง y o u ูทูบค่ะอัปปนาสมาธิกับอุปจารสมาธิอันไหนถึงก่อนกันครับอุปอัปปนาถึงก่อนจิตต้องรวมสงบนิ่งก่อน แล้วถ้ามีวาสนาก็จะสามารถออกไปทางอุปจาระได้ถ้าไม่มีวาสนาไม่เคยฝึกมาก่อนในอดีตชาติก็จะไม่ออกไปก็จะอยู่ในอัปปนาสมาธิไปเรื่อยๆแต่อุปจาระนี่ไม่ดีเพราะว่าออกไปแล้วจะทำให้จิตเร่มมีการเคลื่อนไหวอุเบคขาที่จะได้จากอัปปนาสมาธิมันจะหายไปแล้วถึงแม้ว่าจะได้ไปเห็นของแปลกของ ของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นไปเที่ยวในโลกทิพย์ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปพบกับกายทิพย์ต่างๆเหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่มีทําให้ใจมีกําลังสู้กับกิเลสได้แต่ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธิจะมีโอเบกคาที่จะทําให้ใจมีกําลังสู้กับกิเลสเวลาออกจากสมาธิมาขอใช้ปัญญาพิจารณาว่ากิเลสเป็นตัวปัญหาก็สามารถหยุดมันได้กําจัดมันได้แต่ถ้าเป็นอุปบจารสมาธินี้จะไม่มีกําลัง ออกจากสมาธิแบบนี้มาแล้วจะเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนกับนอนหลับฝันไปคำถามจากคุณชัยยันค่ะการฟังเสียงดนตรีบำบัดเพื่อล ด, ลดความกิดพุงซาในช่วงแรกจากนั้นปิดเสียงดนตรีและนำสติมาอยู่ที่ลมหายใจหรือกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบนี้เป็นการทำสมาธิที่ถูกต้องไหมครับกลาบขอคาแนะนาด้วยครับ ถ้าในเบื้องต้นยังต้องใช้มันอยู่ก็ใช้ไปแต่ไม่ควรจะใช้จนติดต้องใช้มันทุกครั้งเพราะว่าเวลาที่เราจะทำสมาธิแล้วถ้าเราไม่มีเสียงเพลงฟังเราก็อาจจะทำไม่ได้เนั้นทางที่ดีพยายามฝึกไปจนถึงขั้นที่เราไม่ต้องใช้เสียงเพลงจะดีกว่าวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องใช้เสียงเพลงก็คือให้เราฝึกสติทั้งวันฝึกสติอยู่เรื่อยๆ เ, ยเยนาะสติจะมีกาลัง พอนั่งสมาธิก็ไม่ต้องใช้เสียงเพลงสามารถใช้สติกํากับใจให้นิ่งให้สงบได้เลยจากคุณสิริพันธ์ค่ะขอเรียนถามเจ้าค่ะความคิดและตัวรู้ต่างกันอย่างไรเจ้าคะตัวรู้ก็เป็นผู้รู้ความคิดไงความคิดก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วตัวรู้ก็เป็นผู้รู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้กับคิดคนละเรื่องกันคนละตัวกันคนละอย่างกันแต่อยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในตัวจิต จิตก็มีมี ม, ม, ม, ม, มีตัวรู้แล้วก็มีตัวคิดจากทาง YouTube ค่ะกราบพระอาจารย์ที่เคารพครับในวันที่ปฏิบัติการนอนตะแคงขวามีส่วนช่วยเรื่องใดบ้างครับก็ให้นอนหลับแบบมีสติไงถ้าเกิดต้องการจะตื่นเวลาไหนมันก็จะตื่นได้ทันทีเมื่อถึงเวลานั้นถ้านอนแบบนอนง่ นี่มันาทีนอนเมีนคนตายมันกอาจจะเลยเวลาที่เราตั้งกำหนดจะตื่นก็ได้เห mm hmm. ็นถ้าเป็นนักบวชนี้จะรู้เวลาว่าจะต้องนอนกี่ชั่วโมงก็มักจะนอนแบบแบบตะแคงขวา mm hmm. จะได้มีสติพ mm hmm. อ, อถึงเวลาปั๊มมันจะตื่นขึ้นมา mm hmm. แล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติต่ตอได้เลยมีคำถามจากทางหน้ากุติค่ะ ระหว่างวานันมีบทสวดมนต์เข้ามาในหัวตลอดวนันเราใช้บทสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะในตอนที่ไม่ได้ทำงานหรืออยู่กับพุทโธดีกว่าคะก็ลองดูว่าแบบไหนไมันจะดีกว่ากันแบบไหนทำให้ใจเย็นใจสงบกว่ากันก็ใช้ได้ขอให้เราอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วกันจากทางน้ากุติคะ่ะ การลดการลดความอยากทางใจโดยการใช้สติและสมาธิต้องทำไปนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลและถ้าเกิดความท้อระหว่างทางควรทำอย่างไรดีคะก็ทำต่อไปถ้าท้อก็อย่าอย่าหยุดบางวันเราก็มีกำลังสู้มันได้บางวันก็เรามีกำลังสู้มันไม่ได้แต่เราไม่หยุดเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปกำลังก็จะมากขึ้นไปเองอการจะรู้ว่าเราได้ผลหรือไม่ก็คือเวลาเราโกรธใครแล้วเราหยุดได้ทันที พอรู้ว่ากลังจะโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ก็หยุดปึก๊กเ น, นี่แสดงว่าสติเรามีกําลังมากถ้าโกรธแล้วหยุดไม่ได้ต้องระบายออกมาทางวาจานี่แสดงว่าสติยังไม่ ย, มยังมีกําลังไม่มากพอยังไม่เป็นผลคําถามจากทางหน้ากุฏิคะ่ะถ้ายังมีความอยากทางอาหารและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อทําให้รสชาติอาหารดีขึ้น แต่การดื่มยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้ทำให้เกิดการมึนเมาถือว่าขาดสีลข้อห้าหรือไม่คะขาดแม้แต่หยดเดียวก็ถือว่าขาดนะดื่มแม้แต่หยดเดียวก็ขาดเพราะว่ามันดื่มไม่ได้มันจะติดมันจะเพิ่มขึ้นไปเองทั้งนี้ได้แค่นี้ทั้งต่อไปมันเท่าเดิมมันไม่มันนะต้องสองเท่าถึงจะมั น, นหมดแล้วโอเคหมดแล้วเวลาก็หมดพอดีสลับลวันนี้